ลำดับที่1คติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่63โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่63ให้คติธรรมว่าคนมีสติ เหมือนมีสิ่งนำโชคตลอดเวลานี้คือสติสัมปชัญญะคนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนนั้นมีสมบัติอยู่กับตัวเองไปนาตถานที่ใดพูดเรื่องอะไรแสดงอากัปกิริยาอย่างไรสวยงามเพราะมีสติสัมปชัญญะ แต่ถ้าว่าพวกเราขาดสติมากมากเหมือนกับคนเป็นบ้าพวกเราดูให้ดีก็แล้วกันจะมีลักษณะอย่างไรจะแปลว่าคนเปล่าประโยชน์หรือว่าคนขาดคุณงามความดีขาดทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่น่าจะผิดเพราะคนขาดสติถ้าว่าคนมีสติสมบูรณ์เยาวามหาสติมหาปัญญา อย่างที่องค์หลวงตาที่ท่านยกเชิดชูบูชาคนที่มีสติมหาสติคนนั้นจะสมบูรณ์คิดพูดทำอะไรอยู่ณสถานที่แห่งใดคนนั้นท่านผู้นั้นเหมือนกำนำโชคตลอดเวลาเพราะคิดดีทำดีพูดดีตลอดผู้นั้น ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงฝึกหัดสติการฝึกหัดสติในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านฝึกมาแล้วที่โคนต้นโพท่านนั่งสกัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้ก็คือการฝึกสติสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวแต่ท่านเรียกว่าสติสัมปชัญญะแต่ถ้าหากว่าแยกแล้วก็คือสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เราทำอะไรอยู่คือสัมปชัญญะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทั้งมีสติด้วยทั้งมีสัมปชัญญะผู้นั้นเหมือนกับมีสิ่งนำโชคมาให้ตลอดเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปาถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปาถนาทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนด้วยเทอญ